ขมิโตเยนะสัตทัมโมขามปิตสศเดวหังขชมาโนสิวังรมังคตาดามังนามิหังวานานิขมิโยตันหาวจังพาสติอุตมังวานานิพาณปนทายา วานันตังนามิหังอนัสาสะสัตตานังอาจสาสังเทติโยชิโนอนันตะคุณาสัมปโนอันตะขามิงนามิหังระตตนิพพานสัมปเต ราตโยสัตโตมุจณีรัมมาเปติทัสเตโยระนาจตังนามามิหังหันญติปาปเกดเมหังสาเปติปรังชะนังหังสมาณังมหาวิรังหันตาปะปังนามามิหัง พระสัตธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุแล้วทรงยังมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้บรรลุด้วยทรงบรรลุถึงพระนิพพานอันเป็นความยินดีอย่างยิ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีธรรมอันบนรรลุแล้วพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงออกจากวาณนะเครื่องร้อยล้าดกล่าวคือตัณหาคือความทยานอยากแล้ว ทรงกล่าบพระวาจาอันเลิศเพื่อประโยชน์แก่การดับไฟคือวาณะกล่าวคือตัณหานั้นข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้มีความเพียรพยายามพระองค์นั้นพระชินเจ้าพระองค์ใดโปรดประทานความอุ่นใจแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีความอุ่นใจพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระชินเจ้าพระองค์นั้น ผู้บรรลุถึงที่สุดแห่งความพ้นทุก์โดยชอบแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงยินดีแล้วในพนิพานสมบัติพระองค์ ย, ยินดีแล้วในอันปลดเปลื้องสัตว์ออกจากวัฏจุกพระองค์ใดทรงยังสัตว์ทั้งหลายในโลกให้ยินดีในการเปลื้องทุก์นั้นด้วยข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สลัข้าศึกคือกิเลสเสียได้ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงกําจัดธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปเสียได้ยังชนอื่นให้ร่าเริงในธรรมอันเป็นกุศลข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระหัไทยรื่นเริงกล้าหาญอย่างยิ่งทรงกําจัดบาปได้แล้วพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงสแสดงธรรมทั้งที่เป็นสังคตะคือมีปัจจัยปรุงแต่งและทั้งที่เป็นอสังคตะ คือที่ไม่มีประจัยปรุงแต่งมีพระนิพพานเป็นต้นแก่สัตว์ทั้งหลายโดยถูกต้องตามความเป็นจริงทรงพิคาตสังสารวัตรได้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพูดตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงเสนะถนอมสัตว์ทั้งหลายดังมารดาถนอมบุตรพระองค์ใดทรงกำราบเสียได้ซึ่งคนกระด้างเย่อยิง ให้สงบราบคาบเสียได้พระองค์ใดอันหมู่มนุษย์และเทวดานับถือแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทําลายมานะได้แล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวอาขอโอกาสแก่พระสงฆ์ในการกล่าวพระธรรมของพระพุทธเจ้านะครับเามื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องเอามื่อวันก่อนเอามานืเอ่อวันรู้สึกว่ามีพระรูปหนึ่ง พระครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่พูดถึงภาษีเยีเมตัยใช่ไหมเออท่านอาจารย์ถามเออผมมีประเด็นเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องอยู่นิดหนึ่งจะใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่เออในในศาสนาของพระชินเจ้าของพวกเราของพวกเราพระองค์เนี่ยนะพระเมตตยะพระโพธิสัตว์เนี่ยอันนี้เป็นสาวกรูปหนึ่งนะชื่อว่าอาชิตาภิกษุใช่ครับ เออตรงนี้ก็ขอเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไว้เพื่อจะได้เป็นข้อมูลเพราะผมกลับไปผมก็ไปนอนคิดคิ ด, คดนิดนึงเหมือนกันในเรื่องประเด็นตรงนี้ก็ทำให้ผมเกิดประวัติคิดถึงเออมีกลุ่มมีกลุ่มที่นับถือพระเมตตาญาณผูได้เจ้าเนี่ยเออมากขึ้นในประเทศไทยนะครับเออตรงนี้เราก็ต้องเราเน้นฐานะที่ศึกษาในคำพีหลายๆคำพีกันมาเนี่ยโดยเฉพาะในคำพีปฐมสมโพธ แล้วก็ในชั้นของพระไตรวิฎกก็มีกล่าวไว้แล้วก็มีการเชื่อมโยงกันหลายที่นีหรือโดยเฉพาะในคัมภีร์มหาวง์ก็จะกล่าวไว้ถ้าใครศึกษาค้นคว้าเนี่ยก็จะเจอประวัติของท่านอชิตาภิกขูเนี่ยที่มีเรื่องเล่าไว้โดยเฉพาะในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาเนี่ยก็หมายความว่าในศาสนาของพระเจ้าของเราเนี่ยพระเมตยญาพระโพิษัตวบังเกิดเป็นราชโอรสของพระเจ้าอาชาติศัตรูกับพระนางกัญจนะเทวีอัครมเหสี มีพระนามว่าพระอชิตกุมารแล้วก็เจริญวัยในสมัยที่พระราชบิดาเลื่มใสในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยทีนี้อชิตาโกมานก็ได้ทอดพระเนตรเห็นพระรูปหนึ่งที่มีสริรินะเป็นสริริของพระเจ้าทั้งได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วก็มีพระราชศรัทธาเลื่อมใสสมณนัตในวรพุทธศาสนานีแล้วก็โดยเฉพาะศรัทธาในพุทธานุภาพอย่างยิ่งก็เลยขออนุญาตพระราชบิดาออกบรรพชาอุปสมบทในศาสนา กับบริวาร 1,000 เล่าเรียนพุทธวจะนะเป็นอันมากแล้วก็สอบถามธรรมะแกเพื่อนพลเมษจันพลเมจารีด้วยเนี่ยทีนี้สมัยเมื่อพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยมาที่กรุงกบิลพัฒน์ในครั้งที่2เสด็จที่กรุงกบิลพัฒน์ครั้งที่ ส, ส, สเนี่ยตอนนั้นกประทับอยู่ที่นิโครธารามออท่านพระธรรมทูตไปกันมาแล้วใช่ไหมครับนิโครารามเนี่ยเออนั่นแหละพระเจ้าประทับแต่ไปครั้งที่สนะครับสมัยนั้นน่ะนางณประชาบดีโคดมีเนี่ยพระมาตุจฉานั่นแหละ ทรงปารจะถวายจีวร อ, อันหาข้ามิได้แด่พระบระมา ศ, าศาสดาใช่ไหมครับจึงทรงทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระองค์เลองเองเนะเริ่มตั้งแต่นั่นแหละพเพาะเมร็ดฝ้าลงในอ่างทองคําด้วยนั้นเถอะต้องการจะถวายจีวรกับพระบระมาศาสดาใช้อ่างทองคําเจ็ดใบนะอ่างทองคำเจ็ดใบที่มันจะเป็นที่พเพาะเมร็ดฝ้าที่บรรจุปนป น, บนด้วยผงทองแล้วก็ของหอมคือจัดทําอย่างดีอันนี้ปุภาเจตนานี่อย่างแรงกล้าเลยเนี่ย อันนี้กเ็เป็นวิธีการในการเจริญทานกุศลนะครับในการทีทานกุศล ข, ของบรณาพุทธบริษัทแล้วก็เจือด้วยมัทุรสสี่อย่างรถด้วยน้ำนมโคที่เจือด้วยผงทองแล้วก็นำเอาฝ้ายเนะ่ะที่ออกดอกสีทองเหลืองเหมือนดอกกัญญาการอย่งั้นเออตรงนี้ก็ได้เห็นได้ชัดว่าพระนางนั้นทรงเก็บฝ้ายด้วยพระหัตต์เองด้วยนะแล้วก็ใส่ลงในพระอบทองคาก็เลือกฝ้ายอย่างดีหีบด้วยนะ ที่ป้ายปั่นฝ้ายเองเส้นได้แต่ล ะ, ละเอียดอ่อนนุ่มมีสีเหมือนกับทองเลยเหมือนทองเหมือนทองทองก็เหมือนกับอรุณขึ้นนะเหมือนสีอรุณขึ้นตอนตอนเช้าเช้าอ่ะก่อนที่พระอาทิตย์จะอุไทยขึ้นมาก็จะมีแสงเงินแสงทองขึ้นมาก่อนนะจีวรของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วก็ทรงมอบให้ช่างหูกที่มีฝีมือนําไปทอเป็นผ้าที่โรงหูนะก็คือในโรงทอผ้านี่นแหละ พระนางให้คนตกแต่งอย่างงดงามในพระราชวางังพระนางก็ได้เสด็จทอดพระเนตรในการทอผ้าทุกวนันทุกวันเนี่ยนะจนกระทั่งสำเร็จเป็นผ้าออกมาเนี่ยสองผืนกว้างเกดซอกยาว14บสี่สอกเท่ากันพระนางก็พับผ้าผืนนั้นแหละใส่ลงถังอบแก้วแล้วก็ทรงยกพ้า อ, อบขึ้นเหนือศีรษะนะทูลศีรษะว่างั้นเถอะเหมือนคนอินเดียชอบทำนี่แหละ สเสด็จแวดล้อมไปนางสากยะกัญญาับจํานวนมากถือสิ่งของมีทูบเทียนดอกไม้ของหอมเป็นต้นพร้อมกางผ้าอีกแสนผืนอภัยอีกแสนผืนราคาผืนละแสนกหาปะนะัญะบรรจุในพระอบทองคําว่างันเถอแสนใบกับผ้าอีกพันผืนราคาผืนละพันกหาปะนะัญะบรรจุในพระอบเงินอีกพันใบไปที่ไหนไปที่นิโคทารามตอนนั้นที่พุระยาสะเสด็จที่กรุงกบิลพัฒน์นั่นแหละ ครั้งนั้นพระบรมศาสดาก็นั่งที่พุทธอาฏแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์งดงามประหนึ่งพระจันทร์วันเพ็ญว่างั้นเถอะงดงามมากลอยเด่นอยู่ในมนรภ า, ากาศนั่นแหละแวดล้อมด้วยดวงดาวน้อยใหญ่พระนางประชาบดีโคตรมีนะพร้อมได้บริวารทอดพระเนตรเห็นความงดงามของพระบรมศาสดานะเกิดปีติสมนานะทราบซ่านไปทั่วสกลกายเลยถวายพิว่า ด, ด้วยเบญจงังกระบดิษฐน้าากหนึ่งั่นแหละศอกสองข่าวสองนั่นเนี่ติดพื้น ประเด็จสถานเปิดพระอบหยิบผ้าสองผืนออกมาน้อมถวายพระบรมศาสดาทูลขอความกรุณาให้พระบรมศาสดาัตน์รับปาคู่ที่เธอว่างนั้นเถอเพื่อประโยชน์แก่พระนางตลอดกาลนานพระบรมศาสดาก็ตรัสบอกเลยบอกดูกรโคตมีขอเธอจงถวายสงเถอนะนีบอกว่าให้ถวายสงจะได้มีผลมีอนิสงฆ์ยิ่งกว่าอุทิศว่ังนั้นว่าการถวายอุทิศหรือกายเจาะจงพระพุทธเจ้าวังนั้น ทั้งที่ยังได้ชื่อว่าในการบูชาพระองค์และบูชาภิกษุสงฆ์ทั้งบวงด้วยพระนางประชาบดีก็กราบทูลในราตนาพระบรมศาสดาถึงสามครั้งบอกว่าที่ทําทั้งหมดเนี่ยต้องการถวายพระพุทธเจ้าว่า ง, งั้นพระบรมศาสดาก็ไม่รับตรัสให้ถวายสงทุกครั้งถึงสาครั้งอย่างนั้นแหละเนี่ยนะเ ร, เรื่องเป็นมาแบบเนี้ยทีนี้าถามว่าเหตุใดพระบรมศาสดาเนี่ยไม่ได้รับแต่ให้ถวายสง์ ก็เพราะว่าพรธองค์ใครจะอนุเคราะห์ใครรู้ไหมอนุเคราะห์พระมานดาพระมาตุฉานี่แหละด้วยพระมานดาปารบตถาคตเนี่ยด้วยเจตนา3การใช่ไหมก็คือเจตนาก่อนให้เจตนาขณะให้และเจตนาหลังจากให้แล้วชั้นใดพุทธเจ้าก็บอกว่าขอให้พระนางในปารบสงก่อนให้ขณะให้หลังให้คือถวายแด่สงที่มีพุทธเจ้าเป็นประมุกดีกว่าในี่ยทำนองอย่างนั้นแหละว่างงั้นเดี๋จะได้มีผลมากมีอนิสงฆ์มาก และจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานก็ตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามสามครั้งให้ถวายสงฆ์เพื่อให้คนทั้งหลายที่เกิดในภายหลังได้เกิดความเคารพจำเก่งอย่างยิ่งในสงฆ์เออถ้ามองอย่างนี้นะอีกประการหนึ่งถ้าถามบอกว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงยืนยันอย่างนั้นอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรมริว่าพระองค์เนี่ยมีพระชนอยู่ในโลกไม่นานใช่ไหมครับซึ่งก็ป ร, รินิพานไปแล้วซึ่งเราก็เห็นอยู่เนี่ย ก็จะต้องปรินิพานอย่างแน่แท้ซึ่งเป็นปรินิพานที่กุศลนาที่ที่เรามาอยู่อบรมกันนี่แหละแล้วเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วเนี่ยสาวกทั้งหลายจะต้องลําบากด้วยปัจจัยสี่ใช่ไหมที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาและอาหารเป็นต้นเนี่ยหากเป็นเช่นนั้นาศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถดํารงอยู่ได้ห้าพันปีใช่ไหมครับแต่เมื่อพระองค์ตรัสให้ถวายสงเสียบัตดนี้เนี่ยในนาคตการลาบสการะก็จะเกิดก็บุคคลก็จะปรารลบสง์ทั้งปวง คนก็จะน้อมในการที่จะถวายสง่์นี่เป็นพระมหากรุณาที่คุณที่พระพุทธเจ้าต้องการดูแลพวกเรานะครับต้องการดูแลพุทธบริษัทของพระองค์โดยเฉพาะภิกษุสงฆ์นี่แหละด้วยเหตุดังกล่าวนี้พระองค์จึงห้ามเสียถึงสาครั้งแต่พระนางก็ไม่อาจจะกําหนดพระหาไทยของพระพุทธเจ้าได้ก็โทร ม, มานะตอนนั้นนะ่ะเสียใจมากก็เข้าไปหาท่านพระนนอัญชลีก็ขอให้พระนนท์เนี่ยกราบทูลพระบรมศาสดาด้วยว่า ขอใ ห, ให้พระบรมศาสดาทรงรับเธอว่างั้นนะบอกว่าก็ให้บอกว่าพระนางประชามาดีโคตมีเนี่ยผ้านนท์ก็เข้าไปทูลบอกว่าพระบรมศาสดาเนี่ยขอให้มีพระมหากราณาธิคุณกับพระนางประชามาดีเธอพระนางประชามาดีเนี่ยเป็นพระมารตรฉาทําการอาภิบาลเลี้ยงพระองค์มาตั้งแต่ประสูติเนี่ยเจ็วันนะว่างั้นเพราะเจวันน่ยพระมารดาของพระองค์ที่องคต ว่าถวายขีรลทาราให้เสวยก็คือน้ำนมนั่นแหละตราบจนเจริญวัยมีพระคุณเหลือคนานานับทั้งพระนางก็ตั้งอยู่ในไตรศนานาคมด้วยพระนางก็เป็นพระโสดาบันด้วยทรงมีศีลจารวัตงดงามด้วยตัตรุอริยสัตสีสมบูรณ์ด้วยศรัทธาภาษาธาตุในพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวว่า ง, งั้นเถอมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้านี่ยว่า ง, งั้นเถอปราศจากความกังขาในพระตนไตรยควรที่จะทรงกรุณาโดยแท้ เพางั้นนี่พระอนนท์ก็ไปทูล น, นี่พระอนนท์ น, นี่เขาใจพูดนะท่านอาจารย์พระอนนท์ น, นี่เข้าใจพูดนะถ้าพูดอย่างกับเรานี่ใจอ่อนไหยเนี่ยไมใจอ่อนไม่เหลือใช่ไหมเราทีนี้พระเรามาศาสดาสดาแล้วก็ บอกก็ดูก่อนนันโน้นอันว่าบุคคลเช่นพระนางประชาบดีโคตมีนี้สมควรจะได้ทําอัญชลีกรรมสามีเจ็ดจิตกรรมนะถวายเจตุปัจจัยแดดทานแดดบุคคลผู้เป็นอาจารย์คือตถาคตโดยการตอบแทนบุคคลนี้ไม่ใช่ทําได้โดยง่ายนะตะถาคตกล่าวถึงปาติปุกพิกทานคือทานที่ถวายจาะจงเนี่ยผู้รับโดยพิสดารแล้วก็จะกล่าวถึงเหตุแห่งทานที่มีผลมากมีอนิสงฆ์มากพระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวเลย ตรงนี้ก็ไปดูในคําสอนได้นะมีหลายที่ที่กล่าวไว้ในเรื่องของปาติบุคคลิกานในปาติบุคคลิกานก็คือการถวายทานอุทิศเจาะ จ, จงแด่พระเจ้าแด่พระปัจเจกพระทเจ้าแด่พระทหารแด่ผู้บำเพ็ญความเพียรทําให้แจ้งซึ่งอาราจผลเพื่อถวายแด่บุคคลที่เป็นพระนาคาผู้ทําความเพียรเพื่อจะทําให้ได้่นาคามีผลถวายแก่พระสกาทาคาผู้บำเพ็ญเพียรที่จะได้เป็นพระนาคามีผลไล่ไปตามลําดับ14บสีประการนั่นแหละ จนถึงกขาบอกว่าให้ทานแก่นักบวชนอกศาสนาที่ได้โลกิยาชานให้ทานแกเครอหอข่ายผู้ทุกข์ชนผู้มีศีลเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมแล้วก็ให้ทานแกเครอหอข่ายผู้ทุชนที่ทุศีลตลอดถึงให้ทานแก่สัตว์ดิเรกชานนี่นะตรงนี้ก็คือในรายละเอียดก็เป็นอย่างเงี้ยประเด็นก็คือว่าในปาติปกครณิก า, านเนะี่ยบอกพระบรมศาสดาตรัสผลที่เกิดจากการให้ทานโดยเฉพาะว่าอันนี้เป็นบารมีนะการเจอดจงสิบ สี่ประการบอกให้ทานแกสัตว์เดรัจฉานะมีอ น, นิสงส์ร้อยชาติร้อยชาตินะฉะนั้นถ้าเราจะตั้งใจให้ทานนะให้เป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นไม่ไม่ใช่เหมือนโยนอาหารเศษไปเอาอาหารให้ปลาแล้วก็ดีใจตบมือแปะแป๊นี่ไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่เรียกว่าทานนะให้ทานแบบเข้าใจดีแล้วก่อนให้ขณะให้หลังให้เอาเอาอาหารไปโยนให้ปลาเนี่ยหนึ่งหนึ่งเอ็มเนี่ยนะนะให้ผลร้อยชาติทานายา ร้อยชาติคูณห้าคูณห้าก็อายุวรนนะสุขะพระยาแล้วก็ปัญญาเนี่ยบริพานเนี่ยเอาร้อยชาติคูณห้าไว้กลายเป็นห้าร้อยให้กับสัตว์เดราชานเนี่ยให้แบบเป็นเนี่ยนะให้แบบเข้าใจเจตนาทานเข้าใจแบบเอะโลพา ท, ทานอโทสะ ท, ทานเข้าใจแบบออปกพะเจตนาก่อนให้มุนจัดเจตนาขณะให้ อระเจตนาหลังจากให้แล้วเนี่ยมีปาโมดปีติมีศรัทธาเชื่อมั่นเงี้ยนะเชื่อกรมและผลของกรรมเงี้ยเนี่ ย, ยได้ห้าร้อยอัตภาพห้าร้อยอัตภาพคูณห้าก็เลยเป็นห้าร้อยเนี่ยนะเยอะไหมอ่ะทีนี้ถ้าให้ทานแกบุทุชนผู้ทูศีลให้ทานแกบุทุชนที่ทุศีลมีอันนี้สงพันชาติก็ห้าไปคูณไปอันนี้แบบว่าเข้าใจถูกต้องแล้วให้ทานไปนแล้ว ถ้าให้เถ้าให้ทานแก่บุรุชนที่มีศีล น, นะ ท, ที่เป็นกิริยานธรรมเนี่ยได้อา น, นิสงส์แสนชาติเยอะไหมแสนชาติทีนี้ถ้าให้ทานแก่นักบวชภายนอกาศาสนาที่ได้โลกีญาภิญญาสมาบัติมีอา น, นิสงส์แสนโกรชาติเออได้เยอะนะได้เยอะแสนโกรชาติให้ทานแก่บุคคลผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อจะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพันธ มีอา น, นิสงฆ์มากมายเกินกว่าจะนับได้ว่าได้อา น, นิสงฆ์เท่านั้นชาติเท่านี้ชาติเห็นไหมว่าให้ทานแกบุกย่างยังเราเราเนี่ยยังพระเถระที่มาอยู่เนี่ยเพียรพยายามเพื่อจะบรรลุพระโสดาบันกันไหมเนี่ยเพียรไม่เพียรที่ผมถามนี่ผมจะได้แจกทานนะผมจะได้หวังอา น, นิสงฆ์นับไม่ได้ไงใช่ไ <c> ห <oughs> มล่ะ <c oughs> ผมเวลาผมจะหว่านทานนะกุศลผมจะเจริญกุศลผมก็ ผมคิดหมดแล้วผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทางบุญผมคํานวณเรื่องเหตุเรื่องผลน่ยนะไม่ได้หรอกเรื่องตรงนี้เวลาจะจะย่อนทานลงไปผมก็ต้องคิดนะ่ยนะผมถวายสงฆ์บ้างปุบถวายบุคคลบ้างอันนี้พูดถึงปาฏิ บ, บุคคลิขทานแล้วลองคิดดูทีว่าให้ทานแก บ, บุคคลผู้เพียรพยายามเพื่อจะบรรลุพระสกาทาคาให้ทานแก บ, บุคคลที่เพียรจะบรรลุพระนาคาให้ทานแก บ, บุคคลที่จะบรรลุเป็นพระทหาร แล้วให้ทานกับพระอาหารหันต์ให้ทานกับพระปบาเจกพระพุทธเจ้าให้ทานกับพระพุทธเจ้าอั น, นิสงฆ์ก็หาประมาณนี้ได้นับไม่ได้ไปคือมีผลมากยิ่งกว่านั้นไปตามลําดับแต่แต่ต่อมาพระพุทธเจ้าก็พูดในเรื่องของสังฆทานเจ็อย่าง <c oughs> ไปดูในสัตการนิบาศก็ได้แม้ในอนาคตจะมีแต่โครตรภูสง์คือภิกษุทุตสีนมีผ้าเหลืองชิ้นน้อยในผูกคอหรือข้อมือ ทำไร่ทำนาเลี้ยงชีพการถวายทานแก่โคตะลภูภิกษุเช่นเนี้แล้วอุทิตเป็นสังฆทานก็ยังมีอธิสง์มากเป็นอธิสงไข่นับไม่ได้เช่นเดียวกันนะพระตถาคตกล่าวว่าทานที่ถวายเจาะจงผู้รับมีอธิสง์มากกว่าสังฆทานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งสังฆทานมีผลมากกว่าปาติกรุรเกติทานว่างงานว่าเป็นตามลําดับอันนี้ก็ในรายละเอียดจะไม่กล่าวเข้าไว้สรุปก็คือว่าการถวายทานอธิสงมีผลมากเออ ตรงนี้พระบรมศาสดากล่าวไว้ในทักขีนาวิพังคสูตรนะในทักษีนาวิพังกสูตรที่พระุเจ้าแสดงจบลงแล้วโสมนัสอันยิ่งนักนะก็เกิดขึ้นก็ถือทีนี้หลังจากพระนางประชาบดีเนี่ยฟังเรื่องนี้จบไปเสร็จปุ๊บพระนางประชาบดีก็ดีใจมากพอดีใจมากก็เลยเอาและเราจะปาราบสงฆ์แล้วเข้าใจใช่ไหมไม่ถวายพระเจ้าแล้วก็เลยน้อมผ้าคู่นั้นแหละ คุกเข่าเดินไปเดินไปถวายภาษารีบุตรภาษารีบุตรก็ไม่รับเอาไปถวายพระโมคคลานะพระโมคคลานะก็ไม่รับก็ถวายอาสีตีมหาสาวกแปดสิบรูปนะครับไล่ไปตามลําดับเลยป๊ปปป ป, ปไม่มีใครรับสักองค์เลยแต่เนี้ยทีนี้พอไปจนถึงอาชิตาภิกขุกนี่แหละที่มาของพระเมตยะองค์สุดท้ายเนี่ยท่านนั่งท้ายเป็นพระนวกะบวชใหม่ เป็นผ้าเน่ากาวบวดใหม่ ا, ท่านรับท่านก็น้อมเข้าไปถวายอชิตาพิกขูก็รับผ้าคู่นั้นไว้พอรับปุ๊บเหมือนพระนางประชาปีโควจะมีมีความคิดยังไงร้องไห้เลยร้องไห้ดีใจหรือเป่าดีใจหรือยงไงเอาร้องไห้ดีใจหรือยังไงเสียใจนางเสียใจผ้าบวดใหม่รับเขาให้ตายเลยอย่างเงี้ยนะ สมมติเนี่ยไว้ถวายเอาถวายตั้งแต่ท่านอาจารย์ที่ดูแลเนี่ยแล้วก็มาถวายผมถวายไม่มีใครรับเลยเอาไปถวายเนยนบวชไม่กี่วันเนนรับเฉยเลยเงี้ยเนี่ยยมร้องไห้กลิ้งเลยเนี่ยนี่ก็นางประชาบดีก็ทนมนัดน้ําตาไหลเรามีบุญน้อยว่าไงเรามีบุญน้อยมากอุตส่าห์ทําผ้าคู่นี้ด้วยมือตนเองตั้งใจถวายพระบระมศาสดา แต่พระ อ, องค์ก็ไม่ทรงรับแม้ถว่าแกอัครส า, าวกทั้งสองอสิฏฐิมหาสาวกแม้รูปใดรูปหนึ่งก็ไม่ยอมรับพ้าของเราเลยว่างั้นบัดนี้ภิกษุหนุ่มบวชใหม่กลับได้รับผ้าผืนนี้ของเราเมื่อพอระบรมาศาสดาเห็นพระมาตุจฉาเนี่ยเสียพระทยัยอย่างนั้นก็ดารีว่าเออเราจะทําให้พระนางประชามดีโคตมีเนี่ยเกิดสมนัตยินดีในทานให้ได้ว่างั้นก็ดาริว่าตรัสให้ผ้าโนนเนี่ยบอกว่าให้ไปเอาบัดของพระเจ้ามา ท่านพ่อนอนก็นำเอาบาทมาถวายพระบรมศาสดาพระองค์รับบาทแล้วอธิฐานว่าขอใบาทลูกบาทใบเนี้ยขอให้ภิกษุแต่ละรูปเนี่ยก็หมายความว่าขออยากให้บอกขอขอให้สาวกทั้งปวงอย่าได้บาทนี้เลยแล้วพออธิฐานเสร็จก็โยนขึ้นไปวนอากาศหายก็วับเข้าไปกลีบเมฆเลยแล้วพระรัชจ้าก็สั่งภาษาลีบุตรนะนิมนต์ภาษาลีบุตรเนี่ยบอกว่าเออ ให้ตามหาบาทให้แต่ถาคดหน่อยภาษาริบวนก็เข้าเจตัวทิตฌานเข้าปออัญญาเป็นเสร็จก็ควานหาทั้งจักรวาลหาบาทไม่เจอกลับลงมารายงานลงไม่เจอเอา้าพรมโบราณน้าต่ออย่างเงี้นะสมัยก่อนเรื่องฤทธิ์นี่เป็นเรื่องปกตินะทําไมผมถวายร่มทําไมผมชอบถวายร่มและรองเท้ารู้ไหมครับอย่างนี้เรียกยานนาทานใช่ไหมคนเราเนี่ยถ้าฝนตกหนั ก, น ก, นกแดดออกมากๆเนี่ยว่าเดลาเดินไปไม่ได้เรา ต้องอาศั่มนี่แหละแล้วเวลามีตอมีหินมีหนามทั้งหลายก็ต้องใช้รองเท้าใช่ไหมครับนี่ยาท า, า, านอญาณทานที่ให้เนี่ยเ อ, อถ้าหากเกิดในยุคใดสมัยใดที่เทคโนโลยีเจริญที่สุดเนี่ยผลของทานชนิดนี้ที่ผมปรัระกระสงเนี่ยผมจะได้ยานอย่างดีอ่ะทําไมผมจะไม่ถวายแล้วใช่ไหมล่ะแม่ผมจะได้ยานอย่างดีอ่มม ะ, า ย, ะยานภ า, านะอย่างเลิศเนี่ยเพราะผมให้ความ สมหวังแต่ถ้าเกิดยุคใดสมัยใดใช่ไมเกิดยานเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่เจรเลยเลยอ่ะเป็นป่าเขาลำนาภัยผมจะมียานในตนผมจะมีอิทธิวิตริทยานเน่ที่พระจักขูยานที่ร ะ, ทระโสตายานเน่เจโตปริยะยานน่ยบุพเพนิวาสารรุสติยานเป็นต้นใช่ไหม นั้นผมก็จะสามารถเดินเหินไปได้ยน่นแผ่นดินได้เหาะได้ได้เป็นเรื่องปกติเลยนั้นผมถึงชอบเจริญทานกุศลในญาณธรรมนนี้ใช่ไหมพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยผมเชื่อพุทธเจ้าเหตุผมเชื่อเหตุและผลนะไม่ได้ไปเชื่อพุทธเจ้าอย่างเดียวเนะียผมเข้าใจเหตุผลงั้นผมเกิดมาในปัจจุบันนะพ่นี่ยไหมผมเกิดมาเอ๊ะเราได้ญาณไม่ดีเกิดมาสมัยยุคเวียนเนะี่ย ยกกี่เ <Jub> ว <ilee> <g ulos out> ียนยังไม่รู้ต่อไปแต่ผมจะได้ญาณอย่างดีผมก็เลยถวายญาณทานเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านก็หออบเบ็ดเสร็จไม่ได้ใช่ไหมที่สุดจริงๆก็คือว่าเออพอเบ็ดเสร็จก็คือว่าไม่พระเหล่านั้นหาบาทไม่ได้แล้วพระเจ้าก็สั่งสั่งพระท่านอาชิตาบอกว่าให้ ให้ท่านเนี่ยไปหาบาทรพุทธเจ้าว่างั้นให้ให้ให้แปลบบาทมาถวายพระชิตตาก็ดำหลีว่าหน้าอัศจรรย์ยิ่งนักขนาดพระสารีบุตรอสิติมหาสาวกทั้งหลายล้วนปราศจากกิเลสมีอนุภาพมากหมดราคะโทสะโมหะในใจแล้วชันไหนจึงไม่อาจสแสวงหาบาทพระบรมศาสดาได้ไอตัวเรานี้ก็ยังมีกิเลสยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ แต่พระบรมศาสดากลับมาสั่งเราเนะว่า ง, งั้นให้ไปแสวงหาบาตรน่าจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งว่า ง, งั้นน่าจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องถือเอาบาตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาถวายตามพุทธประสงค์ว่า ง, งั้นคิดดังนี้แล้วก็ถวายนะมัสการพระบรมศาสดากราบทูลว่าข้าพรพุทธเจ้าจะถือเอาบาตรของพระบรมศาสดาในกลางนบนัตินี้ว่า ง, งั้น เมื่อพระพุทธาอนุญาตแล้วอชิตาพิกูก็ออกไปยืนอยู่ที่ท้ายบริษัทนะครับยืนออกไปอยู่ท้ายบริษัทมองไปในอากาศตั้งจิตปรารถนาเลยบอกว่าตัวเราเนี่ยว่างั้นตัวเราเนี่ยบรรพชาในาศาสนานี้ไม่ได้บรรพชาด้วยลาบสการะนะไม่ได้สแสวงหาราบสการะไม่ได้สแสวงหาปัจจัยก็หาไม่ได้และพอเรียงชีพในเพศยรารวะไม่ได้แล้วจึงบวชก็ไม่ใช่ โดยที่แท้เราบรรญชาเพราะปรารถนาตั้งใจจะประพฤติพรหมจรรย์ท่านวางนี้นะท่านตั้งใจจ ะ, ะพฤติพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์ก่อการตัดสู้ธรรมทั้งปวงอันอาจจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากสังสารวัตรว่างั้นอันหนึ่งศีลของเราก็ไม่ได้ขาดด่างพร้อยบริสุทธิ์อย่างดีว่างั้นท่านปาลรอบเห็นไหว่าท่านคิดในใจเลยนะว่าท่านบวชมาเนี่ยท่านตั้งจิตปรารถนาเพื่อจะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้า ไม่ได้บวชเพื่อแสวงหาปัจจัยสีลาภสกาละหรือเกียติยศชื่อเสียงใดๆเลยและตั้งแต่เราบวชมาเนี่ยกุศลศีลของเราทุกข้อทุกอัดทุกบทเนี่ยไม่เคยด่างพ้อยเลยแม้แต่น้อยว่า ง, งั้นมีแต่บริสุทธ์น่ะด้วยด้วยแรงสัจจาทิฏฐานนี้ขอให้บาทของพระบรมศ า, ศาสดามาประดิษฐานในมือเราเถอะท่านก็เหยียดมือออกขณะนั้นบาต ท, ที่ปราศจากวิญญาณนะ ไม่มีเวีย ญ, ญาณก็ตกมาจากอากาศมาประิด็นสถานอยู่ในมืออาชิตตาภิกษุเนี่ยเป็นอัศจรรย์น่ยเหมือนบอกเขตว่าท่านพวกนี้นะว่าเนี่ยไม่ใช่บริขารของพระสาวกทั้งหลายนะแต่เป็นบาศของพระบรมศาสตรานประเสริฐแม้อาชิตตาภิกขุเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสาวกนะไม่ได้เป็นพระประเจริญพระเจ้าแต่จะได้ตัดสรู้เป็นพระเจ้าในอนาคตแน่นอนเนี่ย เหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมาสู่มือของท่านในํานองอย่างนั้นเหมือนบาทจะบอกกับพระอจิตาภิคุณอย่างนั้นแหละพระนางประชาบดีพอเห็นอย่างนั้นแล้วเกิดปีติโสมานัดไหมเกิดปีติโสมานัดเป็นอย่างยิ่งก็ดำหลีว่าอันว่าพระสงฆ์สาวกของพระโรมัสาสดานี้นาอาัศจรรย์นักทีนี้พอมองอย่างนี้เลยว่าเออเพราะฉะนั้นวัตถุทานคือผ้าคู่นี้ของเราเนี่ย ก็บอกได้ชื่อว่าบูชาพราะบรมศาสดาเหมือนกันแล้วก็ประนมหัตถแล้วก็นมัสการแล้วก็ลากลับไปไอ้เรื่องเรื่องเกิดคือตรงนี้นะครับเรื่องภาสีแย่ไม่ตายเนี่ยนี่ประเด็นอยู่ว่าเมื่อผ้าสีผ้าชิตาภิโคเนี่ยท่านรับผ้าคู่นั้นมาแล้วเนี่ยท่านก็มาดํารีว่าจะมีประโยชน์อะไรกับผ้าผืนนี้ว่าอนอุดมนี้ที่จะมาปิดกายอันมีโทษบท ก, กายของเรามีโทษเดชรลาคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้มรณะนะคือความตายเป็นธรรมดาเนี่ย ควรที่เราจะเอาผ้าคู่เนี้น้อมบูชาพระบรมครูพระบร ม, มาศาสดาเพราะเหตุที่พระองค์ยังทรงมีค่ามากว่างั้นเถอะว่างั้นควรที่เราจะาผ้าคู่เนี้น้อมถวายพระศาสดาดีกว่าว่าพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยคุณคือศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตมติญาณทนะัศนคุณอนุดมเนี่ยควรที่จะสักการะบูชาด้วยผ้าคู่เนี้เมื่อท่านดําริอย่างนี้แล้วก็ถือผ้านั่นแหละว่างั้นไปทําเป็นเพดานนะ ถวายพระเจ้าในพระคันตะกูดีแล้วก็ฉีกผ้าเป็นสชิ้น อ, อ, อีกอีกอีกท่อนหนึ่งเอาแฝงประดับบูชาพระเจ้าตางที่หน้าต่างนั่นแหละเพราะ ง, งั้นบูชาพระเทสซาโพลญ า, านท่านก็บอกพอหลังจากทําอย่างนั้นเบสเสร็จปุ๊บการบูชาผ้าของของอาตมาเนี่ยเป็นที่จเจริญใจมากเพราะ ง, งั้นปราโมทปีติปัสสิทธิยังจิตของของท่านให้ยินดีอย่างยิ่งด้วยอานิสงส์ของการบูชานี้ อาตมาจะมีความปรารถนาได้สิ่งอื่นก็หาไม่ได้ว่างั้นอันว่าโลกสันนิวาสเนี่ยโลกสันนิบาตก็คือในบรรดาประชาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยินดีในราคะยินดีถูกโทสะปุถุสลายแล้วว่างั้นนะแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ด้วยโมหะซึ่งมีสัญญาวิปลาสว่างั้นสัตว์โลกโดยส่วนให ญ, ญ่วิปลาสวิปริตกันหมดแหละเห็นสิ่งที่ไม่งามว่า ง, งามเนี่ยถือว่าวิปลาสไหมอาวิปลาสใช่ปะ มองมนุษย์ว่างามเนี่ยนี่นี่ประหลาดนะถือวิปราชฏนะใช่ไหมล่ะทั้งๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีไตมีหัวใจมีตับเนี่ยเหมือนกระถังอุจจาระใช่ไหมครับที่มีของไม่สะอาดไหลออกอยู่เนืองนิดอย่างเงี้ยแต่มนุษย์มองเห็นว่างามกันได้นี่ไม่สัญญาวิปรัชฏ์จะจะจะเรียกว่าอะไรท่านคิดของท่านอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ไม่เช่าไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้ทษมองแบบนั้นจริงไหม ออกกลางเลยเร่บอกก็มองเวลายมมานั่งก็ยมช่วยขยับถังอุจจาระไกลๆออกมาหน่อยได้ไหมยอมจะโกรธไหมคิดว่ายอมจะโกรธไหยโกรธไห้โกรธบอกว่าอ่าแล้วแล้วแล้วพระคนเจ้าเป็นถังอุจจาระไหมก็ย้อนถามงนี้ แล้วบอกอ๋อก็เหมือนกันนั่นแหละเอาถังไว้ไกลๆกันหน่อยกลิ่นมันจะได้ไม่อบอวน <c oughs> ใช่ไหมถ้ามองอย่างนี้ก็จริงไว้ท่านมหาวิทยาลัยมหาแปลมาเยอะนี่เรื่องนี้ใช่ไหมใช่ไหะจริงๆแล้วแบบไอคค้ความจํากับความความจําไอ้ไอ้จาว่าเป็นถังอุจลาแต่เข้าใจว่าเป็นถังอุจลานี่ต่างกันหรเหมือนกันต่างกันใช่ไหมบางทีบัณฑ์ รู้แบบสัญญารู้เนี่ยมันก็รู้จำํำนะใช่ไหมเออแต่ถ้าไปรู้อย่างปัญญารู้เนี่ยมันเป็นรู้ชัดแทงตลอดทะลุทะลวงเลยใช่ไหมเห็นแล้วก็เบื่อหน่าจริงๆเลยเดินผ่านใครบอกยอมช่วยขยับถังไกลๆออกมาอนะ <laughs> <laughs> แล้วก็พยายามปิดให้มิดชิดหน่อยอย่า <laughs> อันนี้ก็พูดเฉพาะกลุ่มพระนะถ้ายมมาอยู่เยอะๆก็ไม่เคยกล้าพูด เดีวเกิดยอมโกรธขึ้นมาก็าบออย่งเลยก็ตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยโลกสันนิวาสก็เป็นอย่างเนี้ยมีสัญญาวิปราชของที่ไม่เที่ยงไปสําคัญว่าเที่ยงของที่เป็นทุกข์ไปสําคัญว่าสุขของที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสําคัญว่าตัว ว, ต ว, ว่าตนได้ลองคิดยยดูสิ <c oughs> เออแปลกนะพอเขาสมมุติแล้วเป็นเรื่องจริงเราสังเกตดูที่ อ, อ่าพอสมมุติว่าสิ่งที่เราคลอดออกมาเรียกว่าลูกใช่ไหม อที่เราคลอดออกมาเรียกว่าลูกแต่พอพยาธิออกมาจากท้องเราเหมือนกันเราไม่เรียกว่าลูกเรานะทั้งๆที่ออกมาเหมือนกันเอาสิจะไม่เรียกว่าลูกใช่ไหมล่ะจริงไม่จริงเอออันนี้เขาค่อยๆคิดไปเราจะเริ่มเห็นมุมว่าสัญญาวิปลาบางทีตลองสังเกตด้ทูที่เอ้เราไปหาพ่อแล้วก็แม่แล้วเขาเรียกว่าลูกเราก็เป็นลูกเราไปหาลูกก็เป็นพ่อเป็นแม่ ไปหาพี่แล้วก็เป็นน้องไปหาน้องแล้วก็เป็นพี่ไปหาป้าไปหาหน้าก็เป็นหลานอะไรสารพัดไปหาหมอเป็นคนไข้ถ้าไปรักษาคนไข้ก็เรียกว่าหมอใช่ไหมพอมาเอายีวรหผมเรียกว่าพระถ้าถือศีลสิบแล้วก็เสกเกียวัดอีกเจ็ดสิบห้าเรียกวันเนรอะไร เ, เคยงงบ้างไหมว่าเรามันเป็นอะไรกันแน่นี่ <laughs> เคยมึนบ้างไหมว่ามันเป็นอะไรเนี่ยวันๆมันเป็นอะไรเนี่ย ลองช่วยไปถามนะเคยช่วยบอกหน่อยที่ว่าเราแล้ฉันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยใช่ไหมล่ะเออพอบรรยาิกันขึ้นมาแล้วเบรยเศแล้วเอาตายกันเลยไนดะ้แต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ต้องปฏิบัติให้ถูกไอ้ตรงนี้ก็ก็ต้องไม่มึนกันมันนะต้องไม่มึนเดี๋ยวก็มึนกับมันยุ่งเลยสัญญาเนี่ยต้องระวังอย่าวิปลาสถ้าสมมุติก็ต้องเข้าใจจริงๆว่าสมมติใช่ไหมว่าสมมุ ต, มวมมติว่าเอามาใช้มันได้ไประโยชน์จริงๆแต่อย่าไปหลงสมมุติจนกลายเป็นมึน และในส่วนจริงก็เดินออกจากโลกสมมติไม่ได้ก็หาโลกความจริงไม่พบใช่ไหมครับเมื่อหาโลกของความจริงไม่พบในส่วนจริงชีวิตเราก็ตีบตันเลยเนี่ยเนี่ยก็ตีบตันฉะนั้นตรงนี้ก็คือตันหานี่แหละท่านก็บอกโอ้เนี่ยนิวรธรรมเนี่ยปกปิดเนะี่ยในจิตสันดานของสัตว์โลกเต็มไปหมดสัตว์โลกทั้งหลายก็จอมอยู่ในกามาคุณก็รูปเสียงเกล็ดลวดผูกพันอยู่ด้วยกิเลสจอมอยู่ในมหาสมุทรนะไอ้คาว่ามหาสมุทรในที่นั้นคือตันหารนะ้อยแปดเนี่ยนแหละก็เรียกมหาสมุทร ดวดหมู่เต่าปลาเป็นอาหารของกันและกันผู้เป็นไปตามอะไรชาติคือความเกิดชราคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้มรณะคือความตายปราจจากที่พมนักก็คือไม่มีที่พึ่งที่แท้จริงฉะนั้นแม้ท่านผู้มีศักด์ดาใหญ่เช่นท้ามหาพรหมก็มิอาจที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากสังสารวัตรได้ว่างนั้นท่านก็เลยบอกตัวเรานี่แหละเราปรารถนาจะบําเพ็ญบรารมี30มสิบทัสวังนั้น เพื่อจะได้มาซึ่งสัพพัญยุตยานเพื่อจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากโอฆาสงสาร่ังนั้นในอนาคตจะก้าวขึ้นสู่สำนักของพธธธธระทศพลยานเป็นพุทธเจ้าท่านตั้งปณิธานแล้วเฉพาะพระพักของพระโดมคูสถิตรอยู่เหนือพุทธาฏนั้นเน่ยเมื่อท่านตั้งจิตปรารถนาอย่างนั้นแล้วพระบระมศาสดาก็แย้มพระโอษฐ์พระนลก็ถามเนี่ยตรงนี้เห็นไหมพยากรณ์แล้วพระนนลก็ถามว่าพระบระมศาสดาแย้มพระโอษฐ์เพราะอะไร ปกติเวลาพระนอนอยู่ด้านหลังเนี่ยนะอยู่ด้านหลังของพระบรมศาสดาเนี่ยทำไมเห็นว่าพระพุทธเจ้าแย้มหรือไม่แย้มพระธรรมทูทจะตอบว่าไงะจะรู้ได้งไงพระพุทธเจ้าแย้มหรือไม่แย้มเแย้มพระโอสถเนี่ยปกติเนี่ยถ้าหากท่านอาจารย์หันหน้าไปอีกทางแล้วให้อีกคนนึงมองข้างหลังเนี่ยยิ้มหรือไม่ยิ้มเนี่ยมองไปหูรู้ไหมมองด้านหลังรู้ไหมว่าตอนนี้กําลังยิ้มอยู่ไม่รู้ใช่ไหมเขตที่ไม่รู้เพราะ เพราะว่าเราไม่มีทัศโนพาธพระรยา่อย่าเวลาแย้มพระโอษฐ์เนี่ยพระเขี่ยวแก้วของ อ, องค์จะมีทัศโนพาธคือแสงนะแสงลอยออกมาแล้วจะหมุนเวียนเป็นทักศินาวัตนะครับข้างบนเนี่ยสามรอบนะถ้าอย่างนี้รู้ล้แย้มพระโอษฐ์อันนี้เป็นบุญ น, นะเป็นถ้าเรายิ้มแล้วยังไม่มีอะไรพุ่งออกมาจะแสดงบุญยังไม่มีนี่บุญ น, น้อยเป็นอย่างนี้แหละเกิดมาลําบากเลยนะ ไอ้ที่น่าช้ำใจที่สุดก็คือบาปรกรรมที่เรามนุษย์บางคนทําไว้เนี่ยยิ้มก็ร้องไห้ดูเหมือนกันเลยเคยเห็นไหมบางคนเนี่ยใช่ไหมหน้าตาบ่งบอกทั้งยิ้มก็ร้องไห้ร้องไห้เนี่ยดูเหมือนเหมือนคนคนเดียวกันเลย อ, อนันบ่งบอกถึงเหมือนเหมือนเหมือนกําลังหัวร้ออยู่ทแท้เหมือนคนเจ็บปวดเนี่ยเหมือนคนเจ็บปวดเนี่ยนี่ผลของการปฏิบาตนี่น่าเกลียดน่ากลัวงนี้แหละทีนี้พระพุทธเจ้าพระนรนทรก็ถาม พระเจ้าก็ดำลิกก็ตรัสว่าดูก่อนในนนท์อชิตาภิกษุซึ่งเป็นนวกาภิกษุเนี้จะได้ตัดสรู้เป็นพระเจ้านามว่าพระเมตตาญาในานาคตในพัฒกรรนี้นี่พุทธธ ร, รมนายด้วยอ น, นิสงส์แห่งการแห่งวัตถุบูชาคือการบูชาด้วยผ้าเกตุถาคตแต่ไม่ใช่แค่นี้นะด้วยจิตที่โสมนัตเลื่อมใสดูก่อนในอนท์การเมื่อศาสนาของพระตถาคตอันตรธานไปแล้วจะบังเกิดสัตว์ทันตระกรับ เมื่อสัตย์ทันตะกับนั้นล่วงเลยไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมีอายุเจริญขึ้นไปตามลําดับคือถ้าศาสนาของพระทธเจ้าเนี่นะล่วงเลยองค์ปัจจุบันล่วงเลยไปแล้วเนี่ยจะเป็นยุคสัตย์ทันตะกับก็คืออายุจะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงก็หมายถึงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยมนุษย์ก็จะตอนเนี้ยแข่งข้ากันเยอะแยะเบ็ดเสียดนะก็เกิดกเรียุคเกิดเจราจนอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ถึงขนาดโลกพังนะเพราะโลกใบนี้ต้องรองรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเพราะเป็นพัฒนตะกับ การที่จะมีพระทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้น5พระ อ, องค์ตอนนี้ได้ไปสี่แล้ว น, นี่นะจากนั้นตอนนี้ชาวพุทธก็ต้องมั่นในหลักฐานด้วยหนึ่งต้องมั่นในเหตุและผลด้วยเวลามีนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกจะพังโลกจะทำลายก็บอกเอ็นี้ไม่เข้าใจหรอกนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้วิชาการคํานวณผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่มีใครรับผิดชอบใช่ไหมล่ะทําให้คนตื่นเต้นเล่นไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรรอกังวลนั่นแต่โลกเคลื่อนตัวได้แกนของโลกเคลื่อนตัวได้ ระบบไป้น้ําแข็งในขั้วโลกเหนือเนี่ยสามารถที่จะละลายได้น้ําก็จะท่วมบางประเทศอันนั้นเป็นเรื่องปกติว่างั้นแต่แต่มนุษย์มนุษย์ก็จะมีการเสื่อมถอยในด้านของอายุลงเพราะเป็นยุคสัตว์ถันธรกับเนี่ยแต่พออยู่ต่อมาเนี่ยมนุษย์ก็กลับมาวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่อีกอายุก็จะเจริญขึ้นเป็นไปตามลําดับไล่ไล่ขึ้นไปจนถึงเป็นอาสงไขปีอะแล้วก็ค่อยลดลงมาตามลําดับอีกในยุคนั้นนะพุทธเจ้าจะไม่มาอุบัติเกิดขึ้นนะเออถ้าอันนี้จังขาขึ้นเนี่ยมาสอนแล้วคนไม่่รู้ คนจะไม่ไปสังเวชเสลดใจหรอกแค่จริงสังสังสารวัตรมันเป็นอ น, นิจจังทั้งนั้นแหละแต่จะเป็นอ น, นิจจังขาขึ้นหรืออ น, นิจจังขาลงตอนนี้ขาขึ้นหรือขาลงท่านอาจารย์ขาลงนะขาลงแปลว่าอายุเริ่มเสื่อมลงแต่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอน้าตาเนี่ยนะขาขาลงเนี่ยเหมาะในการสอนธรรมะไหมเหมาะไม่เหมาะเหมาะเฉพาะที่คนอยู่ในยุคร้อยปีเนี่ยเหมาะหลังร้อยปีมาแล้วไม่ค่อยเหมาะหรอกคนฟุ้งซ่านเยอะ ลองสังเกตเดียกเนี่ยเอาลองไม่ไม่นับพระเถิละเออไม่นับพระธรรมทูต น, นะให้ญาติโยมนั่งนิ่งๆฟังธรรมสามชั่วโมงโดยไม่ส่งจิตออกข้างนอกได้ไหมยกเนี่ยได้ไหมเล่าไม่ได้หรอกกลุ่มพระโหกิจโจพระโหกรณีโยทั้งนั้นแหละเจ๊ไหมเล่าจิตมากทุลามากเต็มไปหมดทั้งนั้นแหละแล้วยิ่งยุคเนี่ย ย, ยิ่งจะยิ่งมนุษย์ยิ่งจะพ้งซ่านมากขึ้น แต่ไม่รู้พระเป็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยพระคงไม่เป็นมั้งถ้าอาจารย์ตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยโทรกับวัดกี่ครั้งแล้วไม่รู้โอ้หน้า บ, บถอยหลั ง, ลย อ, อ, ยลงอยากจะกลับวัดแล้วเอ๊ <c oughs> <c oughs> สงสัยเหมือนกันยมอมป่ะเนี่ย <c oughs> โอเป็นงั้นเลยอ๋อคิดถึงวัดเลยแล้วคิดว่าวัดจะคิดถึงหลวงพ่อไหมเนี่ย ไม่คิดถึงหรอกก็ไม่รู้เรื่องหรอกเราต่างหาไปคิดวมนวัดเราที่ว่าเรามันเคยไปตะโกนบอกใครไหมละ่ะว่าฉันเป็นวัดของท่านพระครูนั้นพระครูนี้มีแต่เล่านะี่ยไปเขียนป้ายบอกว่ามันไม่เคยไปตะโกนบอกเลยนะไม่เคยบอกใครแล้วไปที่วัดปั๊บมันก็ไม่เคยรายงานนะซุ้มประตูรายงานหรือเปล่าอันนี้วัดของพระลูกนั้นเนี่ยนะไม่ไรายงานเราไปรายงานดูแล้วเราไปท่องกันไว้นะ ผมไปเห็นพระเทล่รูปหนึง่งดังมากอย่าเอ่ยชื่อเลยผมไปป่วยผมก็ป่วยด้วยกันผมก็ไปป่วยไปนอนโรงพยา บ, บาลพอไปไปมาท่า น, นจําไม่ได้เลยจําชื่อวัดตัวเองก็ไม่ได้นักพอหลายวันหลายวันเข้าจําชื่อตัวเองก็ไม่ได้แล้วทาไงเนี่ยแล้วที่หนักไปกว่านั้นก็ต้องถูกมัดล่ามไว้กับโต๊ะกับขาเตียงไง เตียงคนไข้แล้วก็ถ่ายอุจจาะปัสวะเดินวนพูดอะไรพลุมพลำพรุมพร้ำอยู่งั้นเลยโอ้โหเห็นแล้วน่าสลดใจแท้นี่ไงผู้ยิ่งใหญ่ตายอยู่บนขอบเตียงนี่แหละไม่ได้ไปไหนกันแล้วพอจะตายมาก็ร้องร้องร้องร้องน่าสลดใจเออตรงเนี้ยเออแปลกเนอะไอ้สัญญาและมันมีโรคแปลกมากตอนนี้เยอะมากนะ แปลก็คือว่าบางทีเดินบางคนขับรถไปนี่นะขับขับขับไปนี่นะออกจากบ้านนะครับเออตอนนี้มันโรคอะไรโรคประหลาดนี่พอขับไปปุป๊บแล้วมันก็ฟุบไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครอะ่ะเนี่ยเป็นโรคอะไรกันรู้เป็นกันเยอะมากแต่นี้คนไทยอะ่ะ น, น่ากลัวไหมครับถ้าท่านอาจารย์มันั่งอบรมกันอยู่อย่างเงี้ยอบรมไปอบรมมาแล้วไปหันถามเพื่อนรู้ไหมว่าฉันเป็นใคร ไอ้นี่เป็นโรคเป็นโรคน่ากลัวนะไอ้โรคแบบนี้ใช่ไหมนะเออไนี่นโรคความจํามันหลุดไปงั้นไงไอ้ตรงนี้ก็นี่งไงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนเป็นเรื่องที่น่ากลัวนั้นวันนี้ยังจําชื่อพุระเจ้าได้ก็ททองไว้ก่อนริยามเจ็บป่วยขึ้นมาแม้จะร้องเรียกพระเจ้าก็จะเรียกไม่ถูกไปไปมามมีพระเถระรูปหนึ่งนะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนอะ ภายในเจ็ดวันร้องร้องแทนที่จะร้องเรียกพระเจ้ากับร้องเรียกเป็นพระเทล่ด้วยนะเป็นพระเทล่บวชมาทั้งสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยพอจะมาละนาภาพขึ้นมาร้องแทนที่จะร้องเรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปร้องว่าแม่จ๋าช่วยหนูด้วย <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่เยโนเสียนสลดใจจริงๆแล้วร้องอยู่อย่างนั้นแหละเราคนนึกตายแล้วทําไมเป็นอย่างเงี้ยกลัวสิแต่เนี้ย น, นี่ไม่ใช่เรื่องหน้าคํานะเป็นเรื่องหน้าสลดนะร <c oughs> ้องแม่จ๋าคือสัญญาเก่าท่านกงเกิดนะ่ะนะ ถ้าร้องแม่จ๋าช่วยหนูด้วยแม่จ๋าช่วยหนูด้วยเราเนื้โอโโหหมดสภาพเลยเนี่ยเป็นผ้าไปร้องเรียกแม่เนี่ยยังไม่ไปเรียกอย่างนั้นเรานึกในใจแเราอายพยาบาลด้วยนะอายที่พยาบาลก็ยังมอ ง, มอ ง, ม, องมองหน้าเราก็ยิ้มยิ้มไม่รู้ยิ้มนะี่ยหมายความว่าอะไรไม่รู้มันบอกนึกสลอใจเลยแท้อน่าจะร้องเรียกพรธเจ้ายังมีท่ามีทางหน่อยใช่ไหมล่ะน่าจะตายอย่างนักเลงธรรมะบ้างใช่ไหมล่ะ โอ้โหอุตส่าห์บวชมาตั้งนานลร้องได้แค่ชื่อแม่เองตรงนี้ก็คือท่านก็มาพิจารณาว่านี่สังสารวัตเนี่ยมันมีโทษอย่างนี้แหละว่างั้นเถอะต่นี้พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าเนี่ยท่านเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้วก็บอกว่าในชั้นของอมนุษย์ทั้งหลายก็จะมีอายุเจริญขึ้นเป็นไปตามลำดับไปจนถึงสงไขนะ แล้วก็จะกลับถอยลงมายุคนี้แหละยุคที่มนุษย์ถอยกลับลงมาเนี่แหละครับเป็นยุคที่จะสอนกันได้เอออย่าลืมนะว่าถ้าพระธรรมทูตไปกล่าวพระธรรมแล้วคนไม่ค่อยฟังพระธรรมทูตอย่าตกใจในยุคนี้อย่าแปลกใจให้เรียกให้ถือว่ามันปกติ ปกติถ้าคนเกินอายุร้อยปีลงมาแล้วเนี่ยมนุษย์จะถูกกิเลสคือราคาโทสะโมหะและกรรมคุณทั้งห้าทั้งหลายตลอดถึงนิวรธรรมทั้งหมีการมฉันทาพยาบาทีนะมิธาอุทจาวกูจาววิจิกิจฉาเนี่ยกุ้มรุมมากเพราะเป็นยุคที่มันเกินร้อยปีนั้นถ้าเกินร้อยปีไป็นอายุไขพระพุทธเจ้าจะไม่มาตรัสหรอกฉั้นอย่าแปลกใจแต่ตอนนี้ยังมีการยึดโยงาศาสนาของพระชิฐเจ้าอยู่ห้าพันปีลองรับอยู่เท่านั้นแหละ แต่ก็ยังมีคนมีบุญมาเกิดอยู่นะไม่ใช่ไม่มีว่า ง, งั้นแต่ว่าจำนวนน้อยหรือมากน้อยลงน้อยลงว่า ง, งั้นอย่าแปลกใจว่ากิจกรรมการสอนพระธรรมเนี่ยไปไปมามามนุษย์ก็เลยมาคิดกันใหม่ไงเฮ้ยประยุกตดีกว่าถ้าไม่ประยุกแล้วรู้สึกว่าคนจะฟังกันไม่รู้เรื่องแล้วต้องพูดเรื่องการมาคุณบวกกับพุทธคุณอย่างเงี้ยว่างั้ น, งงนถ้าเราไปลองไปดูให้เห็นชนัดกันในดูในคาพีทีคณิกายอะ่ะ ดูในคมพีอีทีคณิกายดูที่ ท, ท่านดูปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรเนี่ยปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรมาพารณนาพุทธคุณกับการมาคุณใช่ไหมปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรที่ว่ามาม า, มาถือพินสีเหลืองบป็นดอกมาโตมนั่นแหละมาเดดพินถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ร้องเพลงถวายพระเจ้าเป็นเทวดานะ ร้องพรรณนาคุณบอกว่าตนเองหลงรักนางสุริยวัชสาว่างั้นเธอมานานแล้วแต่ว่าตนเองเนี่ยผิดหวังเพราะนางสุริยวัชสานั้นไม่รักตอบว่างั้นเธอแล้วใจของตนเองเนี่ยมีความรักมีความคิดถึงนางสุริยวัชสาเนี่ยไม่เป็นอันกินอันนอนเลยว่างั้นเธอคิดถึงอยู่ตลอดเวลาว่างั้นใจห่วงหาอาทรอยู่ตลอดเวลาเลยปดุดดังพระ้าหันตาเจ้าทั้งหลายเนี่ยคิดถึงพระนิพพานเช่นั้นว่างั้นในทํานองอย่างเงี้ย ท่านพรานาพุทธคุณกับกาลมคุณสลับกันอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราอ่านสูตรนี้เราก็จะไปสําคัญว่าโอ้ปัญจสิกขาคนทนันเทพบุตรเนี่ยทำไมไปรักผู้หญิงคนนี้มากขนาดนั้นที่บอกว่าแม้ถ้าไม่ได้นางสุริยวัชรสามาเป็นคู่เนี่ยก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยแล้วก็นึกตําหนิใช่ไหมว่าปัญจสิกขาคนทันเนี่ยทำไมลหลงไหลผู้หญิงขนาดนั้นแต่นั้นแหละปัญจสิกขาคนทันเนี่ยเป็นตัวแทนของมนุษย์ ที่บ้ากรรมมาคุณทั้งหลายใช่ไหมล่ะเออที่หลงไหลในกามาคุณทั้งหลายเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ให้สังเกตดูที่ว่าระหว่างใจของเราใจของสัตว์โลกทั้งหลายที่ไปคิดถึงคุณของพระเจ้าก็คิดถึงกามมาคุณเนี่ยอันไหนมากกว่ากันแล้วไปต่างอะไรกับปัญจสิกขาคนท่านเทพบุตรใช่ไหมล่ะแต่ปัญจสิกขาคนท่านเทพบุตรแต่กล้าพูดความจริงกล้าพูดความจริงแต่มนุษย์ส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดความจริงนะ ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งตนเองคิดถึงกาง ม, มากกว่าคุณของพระพุทธเจ้าใช่ไหมลราระหว่างเราลองถึงดคิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงสัมผัสเนี่ยและทำมารมที่เป็นกางทั้งหลายกับคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันไหนมันมากน้อยกว่ากันเราก็รู้อยู่ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นตรง น, นี้พระพุทธเจ้าก็ทํานายบอกว่าในอนาคตการนี่แหละพระอชิ ต, ตานี่แหละจะได้มาตัดสู้เป็นพระเจ้าแต่ในรายละเอียดจะไม่นั่นฮนะให้ไปดูในคัมภีร์คัมภีร์มหาวงอะ่ะ ในคำพีมหาวงในปฏิเชตที่32หรือคัมภี์สังคีติวงก็ได้ในบริเจตที่3ที่กล่าวถึงพระเจ้ากากะวันณาติดสหพระราชบิดาของพระเจ้าทุตตะคามียาภัยหรือพระเจ้าทุตตะคามียาภัยเนี่ยจะเป็นพุทธบิดาของพระเมตยาพทะเจ้าและก็พระนางวิหารเทวีราชม right. ันดาของพระเจ้าทุตตะคามียาภัยก็จะเป็นพุทธมารดาพระเจ้าแล้วพระเจ้าทุตตะคามียาภัยจกเป็นปฐมสาวกคืออัครสาวกเบื้องขวาไปต้นเราเนี้ยนะ แล้วพระเจ้าสิทธาติสาพระราชาอนุชาของพระเจ้าทุตตะคามีอภายัยจะเป็นทุติยาสาวกคือเป็นอัคราสาวกเบื้องซ้ายส่วนานางอนุราเทวีก็จะเป็นพระปีตุจฉาคือเป็นอาของพระเจ้าทุตตะคามีอภายัยก็จะเป็นพระมเหสีอย่างนี้ไปต้นนั้นในรายละเอียดก็ไปดูตรงนั้นในรายละเอียดนี่นะทีนี้ที่ที่กล่าวตรงนี้ให้ฟางก็เลยติดประเด็นจากที่พระธรรมทูตถาม เรื่องพระเมตยพระพุทธเจ้าก็บอกเออถ้ามีคนปั้นรูปพระเมตยพระพุทธเจ้ามามาคารพบูชาแล้วก็บอกอาย่างก่อนว่างั้นตอนนี้ยังไปถึงการของท่านนะการนี้เป็นการาศาสนาของพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะออว่างั้นยังเหลืออีกไกลว่างั้นเหลือยาวไกลพอสมควรแต่คําว่ายาวไกลพอสมควรเนี่ยถ้าใครตายแล้วไปตกนรกนี่นะหมดสิทธิ์จะเจอพุทธเจ้าองค์ต่อไปอันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสะดุ้งสะเทือนใจเหมือนกันนะฮนะ สมมติถ้าตายแล้วเราไปตกนรกเสีย้ยงเนี่ยอันนี้มันจะยาวใหญ่แล้วแต่เนี้ยงั้นก็ลองคํานวณชีวิตให้เจอถ้าเราจะตัดสรุปในศาสนาพระเจ้าองค์นี้ให้ทันก็ก็น่าหนุโมทนานะแต่ถ้าไม่ทันก็วางแผนชีวิตกันให้ดีว่าระหว่างตอนเนี้ยมันยุกขาลงเนี่ยไปถึง10ปีแล้วจะขาขึ้นไปตามดับไปในสงไข่ลงมา8ปด0 0ื่ปีพระศรียะเมตยจะมาตรัดยุคนั้นเราต้องคํานวณชีวิตของเราที่ว่าเราจะพอทันท่านหรือไม่นะพอหรือไม่พอนี่เราก็ต้องเป็นนักวางแผนระยะยาวหน่อยใช่ไหมครับ เรายังคํานวณได้ว่าเราจะสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆยังไงใช่ไหมเออตรงนี้เราก็ต้องคำนวณเนวิถีชีวิตถ้าเราออกจากภพนี้เราจะสู่ภพหน้า ย, ยัางไงเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ท, ที่ที่จะต้องมาวิจัยแล้วก็พิจารณาเนี่ยเพราะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่จําเป็นว่างั้นเถอะเป็นสิ่งที่จําเป็นการวางแผนชีวิตเนี่ยในการที่จะเดินในสังสารวัฏก็เป็นเรื่องที่ที่จำเป็นเอาละทีนี้จะต่อเหลือชั่วโมงชั่วโมงท้ายเนี่ยนะ พูดถึงพระมหากรุณาธิคุณกับพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออย่างนี้เออในในพระมหากรุณาและความริูุฉลาดในอุบายพระมหากรุณาธิคุณนี่เป็นมหากรุณาของพระโพธิสัตว์กับความฉลาดในอุบายนี่เป็นญาณปัญญาฉะนั้นสองอย่างนี้ที่มีพระธรรมทูตถามวันเมื่อวานนี้ไงที่ถามว่าเอ๊ะทําไมมหากรุณาเนี่ยกรุณาทําไมไม่เป็นบารมี ใช่ไห้ถามประเด็นนี้ด้วยแล้วก็ถามว่าเออแล้วปัญญาเอาเอาการุณาก็ดีมุทิตาก็ดีหรือคุณธรรมอื่นๆก็ดีทําไมไม่จัดเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าเออที่เนี่ยตรงนี้ก็มาดูตรงนี้นะว่ามหาการุณานี่หรือตัวกรุณายานทั้งหลายเนี่ยมหาการุณาสมาบัติญาณของพระโพธิสัตว์ของพระ พ, รพุทธเจ้านี่แหละของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเออท่านจะมียานตรว น, นี้ด้วยฉะนั้นมหาการุณาเป็นเรื่องใหญ่เพราะกรุณาของของพระโพธิสัตว์เนี่ยยึดโยงกษัตริย์โลกยึดโยงกันกษัตริย์โลก คือย่างนี้ในมหากรณาและความฉลาดในอุบายนะั้นปัญญานะอันเป็นนิมิตแห่งความเป็นโพธิสมภารของทานเป็นต้นเนี่ยชื่อว่าความเป็นผู้ฉลาดในอุบายก็คืออย่างนี้เวลาท่านเดินทา น, นบารมีของท่านท่านจะใช้ปัญญานี่แหละความชาญฉลาดของท่านเนี่แหละเป็นตัวขับเคลื่อนท่านจะให้ทานด้วยปัญญาจะรักษาศีลบำเพ็ญศีลบารมีก็ด้วยปัญญาเนคขมมาก็ต้องมีปัญญาหรือจเจริญปัญญาก็ต้องนั่นแหละขับในเรื่องปัญญาวิริยะคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเบขา ทุกบารมีจะต้องมีปัญญาเป็นบุเรจาริสเป็นเป็นเป็นเป็นนาหน้าเป็นบุเรบุรจริกจะต้องมีปัญญานําหน้าเข้าไปวิจัยเข้าไปเจาะทะลุทะลวงอันนีน้เป็นตัวเป็นตัวสําคัญมากถ้าถ้าหากว่าให้ทานไม่มีปัญญาเนี่ยไม่เรียกว่าบารมีนะไม่เรียกว่าบารมีใช่ไหมให้ทานแบบมึนๆได้ไหมอาจารย์ว่าจริงไหมให้ทานต้องไม่มึนให้ทานต้องฉลาดใ น, นเหตุและผลนะฉลาดในเหตุและผลน และอย่างหนึ่งก็คือว่าฉะนั้นน่ะเชื่อว่าความเป็นผู้ฉล า, าดในอุบายเป็นนั้นความไม่คํานึงถึงสุขของตนความขนขวายในการทําประโยชน์ของผู้อื่นเป็นลําดับนี่ความไม่มีความตกต่ําและความประพฤติของพระโพธิสัตว์แม้กระทําได้ยากและความเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลายในเวลาเลื่อมใสในการรู้การเห็นการปังการและถึงย่ำสําเร็จแก่มหาบุตรทั้งหลายด้วยความปผู้ฉล า, าดในอุบายอันเป็นอันเป็นกรุณา ถ้าเรามองนี้ก็คือว่าถ้าไม่มีกรุณาเนี่ยพระโพิสัตว์ที่บําเพ็ญบารมีเนี่ยบอกว่าความไม่คํานึงถึงความสุขของตอนเองนั่นคือกรุณาเนะตนเองเนี่ยบอกว่าเอ๊ะที่เราจะสร้างบารมีเราต้องเป็นแรงความทุกข์ความยากความลําบากและต้องขอนขวายในการทําประโยชน์ของบุคคลอื่นเป็นไปตามลําดับต้องเมีท้อต้องมีกรุณาทั้งนั้นแหละถึงจะเดินเดินกระแสะความคิดตนเองได้ความไม่มีความตกต่ำความประพฤติ ของพระโพธิสัตว์เนี่ยทำได้ยากและความเป็นเหตุให้ประโยชน์สุกกษัตว์ทั้งหลายคืออย่างเช่นว่าในเวลาที่เขาเลื่อมสายเนี่ยเช่นว่าเขาเลื่อมสายเขารู้เขาเห็นเขาฟังเขาระลึกถึงเนี่ยพระโพธิสัต์ก็ต้องเพียรพยายามในการที่จะยังอัตภาพตนเองในการที่จะไปช่วยเขาถ้าไปแล้วเนี่ยทาให้เขาชื่นใจทําให้เขาได้บุญได้กุศลทําให้เขาได้รับประโยชน์อย่างเนี้ถึงแม้ตนเองจะเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องไปเหมือนพระเทราชนะ โอ้โยมมากันเยอะหมดนั่งต้อนรับแขกอยู่นั่นแหละเป็นไหมด้านยานเป็นไหมก็ต้องเออทำอยังไงให้เขาได้บุญใช่ไหมคิดอย่างนี้ป่ะอย่างนี้เป็นตน้นเดินไกลบินทบาทยังไงก็ไปเพื่ออนุเคราะห์เขาเนี่ย